วิธีขุดหลุมฝังศพการแต่งงานของท่านอย่างแน่นอนและรวดเร็วที่สุดเมื่อ75ป Lan ีมาแล้วพระเจ้านโปเลียนที่3แห่งประเทศฝรั่งเศสผู้เป็นหลานของนโปเลียนโบนาปาร์เกิดความพิสมัยมารียูเจนีอิกเนสออกัสตินเดอมองติโจคาวเตสแห่งตีบา หญิงซึ่งมีความงามที่สุดในโลกและพระองค์ได้แต่งงานกับหลอนที่ปรึกษาของพระองค์เตือนพระองค์ว่าหลอนเป็นแต่เพียงลูกสาวของเขาผู้หนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นคนสําคัญแห่งประเทศสเปนแต่นโปเลียนที่สามย้อนแล้วจะเป็นอะไรไปละ่ะความสง่างามแห่งรูปทรงของหลอนความเปล่งปลั่งของหลอนสเสน่ห์ของหลอนและความโสภาของหลอนทําให้นโปเลียนรู้สึกว่าสวรรค์ได้ประทานความปราดเปลื่มใหญ่หลวงแก่พระองค์ ในการกล่าวประสายแก่พระสนิกรของพระองค์จากราชบัลลังพระองค์ประกาศข้าพเจ้าพอใจที่จะมอบความรักและความยำเกรงแก่หญิงซึ่งข้าพเจ้าไม่รู้จักเลยนโปเลียนและเจ้าสาวของพระองค์ต่างกเกษมสุขอยู่ท่ามกลางความมั่งคั่งอำนาจวาสนาชื่อเสียงความสวยงามความรักความเคารพนับถือมีพร้อมทุกประการในอันจบันดาลให้ความรักดำเนินไปอย่างราบเรียบไม่เคยปรากฏว่า เพลิงศักดิ์สิทธิ์แห่งการแต่งงานของหนุ่มสาวคู่ใดจะส่งประกายลุกโชดช่วงยิ่งไปกว่าการแต่งงานของคนทั้งสองแต่อนิจจาในไม่ช้าประกายเพลิงศักดิ์สิทธิ์นี้ได้วอบแวบและแสงอันโชดช่วงรีลง ครั้นแล้วเปลี่ยนเป็นเรื่ออ่อนนโปเลียนสามารถแต่งตั้งให้ยูเยนีเป็นพระราชนีแต่ไม่มีสิ่งใดๆในประเทศฝรั่งเศสอันรุ่งเรืองแม้แต่อำนาจแห่งความรักอันแรงกล้าของพระองค์หรืออภินิหารแห่งราชบันลังของพระองค์สามารถประงับพระนางยูเยนีจากการเป็นคนจู้จี้ที่เอาเรื่องได้เลยจากความกระสับกระส่ายทุรนทุรายด้วยริดงและหวาดระแวง ลอนหัวล่อย่อคำสั่งของนโปเลียนลอนปฏิเสธไม่ยอมไปพบกับพระองค์สองต่อสองหลอนพรวดพราดเข้าไปในห้องทำงานของนโปเลียนขณะพระองค์ปฏิบัติราชการแผ่นดินลอนขัดจังหวะเวลาพระองค์ปรึกษาราชการที่มีความสำคัญสูงสุดหลอนไม่ยอมให้พระองค์อยู่ห่างจากสายตาเพราะหวาดระแวงเสมอว่าพระองค์จะไปยุ่งกับหญิงอื่น มีบ่อยๆที่หล่อนไปหาพี่สาวของหล่อนร้องทุกเรื่องนโปเลียนต่า ง, า ง, า ง, างนาๆนานาซึ่งในขณะกล่าวคําพูดหล่อนร้องไห้รำพึงรำพันตีโพยตีพายและแสดงความเคียดแค้นหล่อนเข้าไปในห้องเขียนหนังสือของนโปเลียนโดยพละการแสดงกียริยาฉุนเฉียวเกลี้ยวกราอดและด่านโปเลียนผู้มีพระราชวังโออารูราถึงหนึ่งโหลเป็นพระมหาจักรพรรดิแห่งประเทศฝรั่งเศส ไม่สามารถจะหาที่สงบสติอารมณ์ของพระองค์แม้แต่เพียงตารางวาเดียวในพระราชวังเหล่านั้นพระนางยูเยนีได้รับความสำเร็จในการกระทำของหลอนอย่างไรบ้างหรือเปล่าต่อไปนี้คือคำตอบข้าพเจ้าขอคัดเอามาจากตอนหนึ่งของหนังสือเขียนโดยอีเอรายฮาร์ดชื่อนาปเลียนและยูเยนีโศกนาฏกรรมของจักรวรรดิแห่งหนึ่งซึ่งมีข้อความดังนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้นปเรียนจึงเล็ดลอดออกจากพระราชวังทางประตูข้างเวลากลางคืนบ่อยๆด้วยการดึงหมวกสกลาดให้หลบลงมาถึงตาและมีองครักษ์ที่ไว้วางใจคนหนึ่งติดตามไปด้วยพระองค์ไปหาหญิงสาวสวยบางคนซึ่งคอยพระองค์อยู่หรือมิฉะนั้นพระองค์จะเดินทอดน่องไปตามถนนแห่งกรุงปารีสกรุงอันขึ้นชื่อลือชามาช้านานผ่านไปตามถนนและตรอกซอก ซึ่งพระองค์มองเห็นสภาพต่างๆโดยไม่ได้นึกฝันและพระองค์ระบายลมหายใจอย่างปลอดโปรงโล่งอกแห่งผู้ได้รับเสรีภาพทั้งหลายนี่คือผลแห่งการจู้จี้ขี้เอาเรื่องของอยูเยนีจริงหลอนนั่งบนบันลังของประเทศในฐานะพระราชินีจริงหลอนเป็นหญิงสวยที่สุดในโลกแต่จะเป็นราชศักหรือความงามไม่สามารถดารงรักษาความรักให้มีชีวิตชีวาอยู่ท่ามกลางไอพิษแห่งความจู้จี้ขี้เอาเรื่องได้เลย ยูเ ย, ยนีได้แต่ร้องเสียงดังลั่นเหมือนโยบในคัมภีรไบเบิลเมื่อสมัยโบราณและคร่ำครวนสิ่งที่ฉันหวาดกลัวอย่างที่สุดได้เกิดขึ้นแก่ฉันแล้วเกิดขึ้นแก่หลอนแล้วหลอนหามันมาใส่ตัวของหลอนเองหญิงที่น่าสงสารด้วยการเป็นคนขี้หึงและจู้จี้ขี้เอาเรื่องต่างหาก สิ่งทั้งหลายที่สามารถทำลายความรักให้แหลกลานอย่างแน่นอนซึ่งเจ้าผีร้ายแนนรกได้ประดิษฐ์คิดขึ้นความจู้จี้ขี้เอาเรื่องเป็นสิ่งควรสะพรึงกลัวอย่างที่สุดมันไม่เคยล้มเหลวทำนองเดียวกับการกัดของงูเห่ามันจะทำลายเสมอจะทำให้ถึงตายเสมอเมียของเขาเลียวตอนสตอยได้พบความจริงอันนี้ขณะเมื่อมันสายไปเสียแล้วก่อนวาระสุดท้ายจะมาถึงหลอนสารภาพกับลูกสาวทั้งสองของหลอน แม่เป็นต้นเหตุแห่งความตายของพ่อเจ้าลูกสาวทั้งสองไม่ได้ตอบต่างกำลังร้องไห้หลอนรู้ว่าแม่กล่าวความจริงและรู้ได้ว่าแม่ได้ฆ่าพ่อด้วยการเป็นคนขี้บ่นยังไม่รู้จักจบสิ้นชอบวิพากย์อยู่ตลอดศกและชอบจู้จี้ขี้เอาเรื่องอยู่ตลอดศกเช่นเดียวกันที่จริงเขาตอนสตอยและเมียควรมีความสุขแม้ว่าประสบกับความระหองระแหงในทุกประการก็ตามตอนสตอยเป็นนักนวนิยาย มีนามโด่งดังที่สุดแห่งทุกยุคทุกสมัยหนังสือนวนิยายสองเล่มชิ้นเอกของเขาสงครามและสันติภาพและแอนนาคารนเนนาจะส่องแสงโชฉดช่วงอยู่ท่ามกลางวรรณกรรมอันเด่นทั้งหลายของโลกชั่วงกรรภั ส, สา์ตอนสตอยมีชื่อเสียงกึกก้องจนกระทั่งผู้เลื่อมใสศรัทธาในงานของเขาติดตามเขาอยู่รอบๆตัวทั้งกลางวันและกลางคืนและจดชัวะเลขคำพูดทุกคำที่กล่าวออกจากปากของเขาเพียงแต่เขาพูดฉันคิดว่า ฉันจะไปหลับนอนเสียทีก็ได้รับการจดไว้แม้กระทั่งถ้อยคําที่ไม่มีความสําคัญแต่อย่างใดดังยกตัวอย่างมาแล้วก็จะถูกจดไว้ทั้งนั้นและในปัจจุบันรัฐบาลบรัสเซียกําลังจัดพิมพ์ทุกประโยคที่เขาเขียนขึ้นซึ่งเมื่อรวบรวมข้อเขียนเหล่านั้นเข้าด้วยกันเข้าจะเป็นหนังสือถึงหนึ่งร้ยเล่มนอกจากชื่อเสียงโด่งดังตอนสตอยและเมียยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินเงินทองมากมายมีหน้ามีตาในสังคมมีลูกด้วยกันหลายคน นับว่าเป็นการแต่งงานที่สะพั่งพร้อมอยู่ด้วยความสําเร็จในสิ่งปรารถนาแล้วทุกประการในเบื้องต้นความสุขของคนทั้งสองไม่ได้ขาดตกบกพร่องแต่ประการใดเลยทราบซึ้งดูดื่มเหลือแสนและสมัครสมานกลมเกลียวกันอย่างที่สุดคนทั้งสองเคยคุกเข่าเคียงข้างกันและสวดวิงบอลพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ให้มอบความปราบปลื้มเกษมสุขซึ่งเขาต่างกําลังได้รับอยู่ยืนยงถาวอรตลอดไปแต่แล้วเกิดสิ่งแปลกประหลาดขึ้น ตอนสตอยค่อยๆเปลี่ยนไปจนกลายเป็นคนละคนเขาเกิดกระดากอายที่ได้ประพันธ์หนังสือเล่มสำคัญสคัญทั้งหลายของเขาและจากนั้นเป็นต้นมาเขาใช้เวลาเขียนหนังสือเล่มบางๆสนับสนุนสันติภาพการเลิกทําสงครามและการทําลายความยากจนของมวลมนุษย์ท่านผู้นี้ซึ่งครั้งหนึ่งสารภาพว่าในวัยหนุ่มเคยกระทาบาปทุกๆอย่างโดยไม่มีใครนึกฝันรวมทั้งฆาตกรรม พยายามจะเริญบรอยตามคำสอนของพระเยซูเขาบริจาคที่ดินทั้งหมดของเขาและดำรงชีวิตอยู่อย่างคนยากจนเขาทำงานในทุ่งนาผ่าไม้ฟืนและโยนต์มัดฟางเขาทำเกลือกสวมเองกวาดห้องเองใช้จานไม้ใส่อาหารกินและพยายามรักศัตรูของเขาชีวิตของเลวตอนสตอยเป็นเรื่องเศร้าและสาเหตุแห่งความเศร้าก็คือการแต่งงานของเขา เมียของเขาชอบชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยแต่เขาเกลียดสิ่งนี้เมียของเขากระหายความมีหน้ามีตาและความสรรเสริญเยินยอในวงสังคมแต่สิ่งไม่จีรังยั่งยืนเหล่านี้ไม่มีความหมายอย่างใดสำหรับเขาหล่อนอยากได้เงินและความมั่งคั่งแต่เขาเชื่อว่าทรัพย์สินเงินทองและทรัพย์สมบัติส่วนตัวใดๆก็ตามล้วนเป็นบาปดีๆนี่เอง นับเป็นเวลาหลายปีที่หลอนบ่นว่าดุด่าและแผดเสียงเพราะเขายึดมั่นในความตั้งใจโดยอนุ ญ, ญาตให้สำนักพิมพ์ต่างๆพิมพ์หนังสือของเขาโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เลยหลอนต้องการเงินส่วนแบ่งจากผลกำไรในการพิมพ์จำหน่ายหนังสือเหล่านั้นบ้างเมื่อเขาคัดค้านความประสงค์ของหลอนหลอนสือึกสือื่นตีโพยตีภายและทิ้งตัวลงกับพื้นในลักษณะคนเสียสติยกขวดน้ำฝิน่นขึ้นจอดที่ริมฝีปากสะบดสาบานว่า จะฆ่าตัวตายและรู่ว่าจะกระโดดลงในบ่อน้ำมีพฤติการอย่างหนึ่งในชีวิตของคนทั้งสองซึ่งสำหรับข้าพเจ้าถือว่าเป็นฉากที่น่าสงสารที่สุดในประวัติศาสตร์ตามที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งสองมีความสุขอย่างดื่มดำ่ำเมื่อตอนแต่งงานกันใหม่ๆแต่ครั้นบัดนี้48ปีต่อมา แม้แต่หน้าของหล่อนเขาก็ไม่อยากเห็นบางครั้งในยามค่ำเมียของเขาผู้อยู่ในวัยชาราและเป็นคนเศร้ารัฐรมเมียผู้หิวกระหายที่จะได้รับความรักใคร่ประนีจากเขาเดินมาหาเขาพร้อมกับคุกเข่าลงบนพื้นข้างหัวเข่าของเขาและวิงบอลเขาให้อ่านดังๆถึงเรื่องความรักที่เขามีต่อหล่อนซึ่งเขาเขียนไว้ในสมุดบันทึกประจำวันเมื่อห้าสิบปีก่อน ขณะเขาอ่านถึงชีวิตอันสวยงามและเต็มด้วยความสุขของเขาทั้งสองเมื่อครั้งกระโน้นซึ่งบัดนี้ได้ผ่านไปโดยไม่มีวันกลับมาอีกแล้วเขาและหล่อนต่างพากันร้องไห้มันช่างผิดแผกกันอย่างหน้ามือกับหลังมืออะไรเช่นนั้นที่ปรากฏว่าชีวิตแห่งความจริงอยู่ในสภาพอีกอย่างหนึ่งกับชีวิตแห่งความฝันอันคลั่งไคล้ซึ่งเขาทั้งสองต่างเคยฝันเมื่อนานมาแล้วสุดท้ายขณะเขาอายุ82ปี ตอนสตอยไม่สามารถอดทนต่อความทุกข์ทรมานอย่างสาหัสภายในบ้านของเขาได้อีกต่อไปเขาวิ่งหนีเมียของเขาไปสู่ภายนอกเมื่อคืนหิมะ ต, ตกหนักของเดือนตุลาคมคตศกร1910หนีไปสู่ความหนาวเยือกเย็นและความมืดคลุ้มโดยตัวเขาเองไม่รู้ว่ามีจุดหมายปลายทางอยู่ณที่ใดต่อมาอีก11วันปรากฏว่าเขาสิ้นชีวิตด้วยโรคปอดบวมที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่ง คำสั่งเสียประโยคสุดท้ายก่อนจะสิ้นลมปราณของเขาก็คืออย่าให้เมียของเขามาให้เขาเห็นหน้าเลยนั่นก็คือเขาเสตสตอนสตอยได้ชำรานี่จากการเป็นคนจู้จี้ขี้เอาเรื่องขี่บนและชอบตีโพยตีพายด้วยราคาสูงมากผู้อ่านอาจจะนึกว่าคงจะมีอะไรๆอยู่ไม่น้อยที่ทําให้หล่อนเป็นคนจู้จี้ขี้เอาเรื่องท่านมีสิทธิ์ที่จะนึกอย่างไรก็ได้ แต่เป็นสิ่งอยู่นอกเหนือไปจากจุดสําคัญของเรื่องปัญหาก็คือการชู้จี้ขี้เอาเรื่องช่วยหล่อนให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือมันทําให้เหตุร้ายกลายเป็นเหตุร้ายยิ่งกว่าเดิมอย่างไม่รู้จักสิ้นสุดฉันคิดว่าฉันเป็นบ้าแน่ๆนี่คือความนึกคิดของเขาเตสต์ตอร์ตอยในเรื่องนี้หลังจากมันสายเสียแล้ว สิ่ง อ, น, น, า อ, น, น, อนาอเนตอนาฏอย่างที่สุดสําหรับเอ็ราฮมลิงคอนก็คือชีวิตแต่งงานของเขานี่เองไม่ใช่เรื่องที่เขาถูกกลอบว่้ารับท่านแต่เรื่องการแต่งงานของเขาตั้งหากเมื่อบู๊ตยิงเขาลิงคอนไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าเขาถูกยิงแต่สิ่งที่ทรมานหัวใจของเขาจนเกือบประจําวันเป็นเวลาถึง23ปีก็คือสิ่งที่หุ้นส่วนกิจการทนายความของลิงคอนเฮิร์นดันบรรยายไว้ในหนังสือของเขาว่า เป็นความทรมานอันขมขื่นจากการแต่งงานอันไร้ความสุขการแต่งงานอันไร้ความสุขเป็นคำพูดอันอ่อนและหมายมากค่าที่เกือบจะเป็นเวลาถึงหนึ่งในสี่ของศตรวรรษที่นางลิงคอนจู้จี้ขี้เอาเรื่องและก่อกวาชีวิตของลิงคอนให้เบื่อหน่ายระอิดพระอาหลอนมักจะบ่นว่าและติเตียนผัวของหลอนอยู่เสมอ เขาเป็นคนที่ไม่มีสิ่งดีงามอย่างใดเลยสําหรับหลอนเขาเป็นคนหลังคอมเวลาเดินก็เงอะ ง, งะไม่ปราดเปรี่ยวและยกขาขึ้นสูงและย่าลงคล้ายอินเดียนแดงหลอนบ่นว่ายามเขาก้าวเดินดูคล้ายกับคนขาไม่มีสปริงจะเคลื่อนไหวก็ขาดความสง่างามหลอนเรียนวิธีเดินของเขาเป็นการล้อและเขี่ยวเข็นให้เขาเดินด้วยใช้ปลายตีนลงดินก่อนส่วนอื่นของตีน เช่นเดียวกับที่หลอนเคยได้รับการอบรมที่โรงเรียนกินนอนของมาดามมังแตวที่เมืองเล็กซิงตันหลอนไม่ชอบใบหูขนาดใหญ่ของเขาซึ่งกางออกมาจากหัวเป็นมุมฉากหลอนเคยบอกเขาว่าจมูกของเขาไม่ตรงว่าริมฝีปากล่างของเขาปลิ้นว่าท่าทางของเขาเหมือนคนเป็นวั น, นโรคว่าตีนและมือของเขาใหญ่เกินไปว่าหัวของเขาเล็กจนเกินไป เอ برا ห์มลิงคอนและแมรี่ทอสลิงคอนอยู่ในฐานะตรงกันข้ามทุกๆ ท, ทางในการอบรมในวงตระกูลในความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ในรสนิยมในการแสดงความคิดเห็นคนทั้งสองมีเรื่องทะเลาะ ก, กันเป็นประจำเสียงอันดังและแหลมบาดใจของนางลิงคอนอันเบิดเยเบวริตสมาชิกวุฒิสภาผู้ร่วงลับซึ่งมีชื่อเสียงเด่นที่สุดในยุคนี้ทางด้านผู้แต่งชีวประวัติของลิงคอนเขียนไว้ เสียงอันดังและแหลมบาดใจของนางลิงคอนได้ยินข้ามถนนไปอย่างอีกฝากหนึ่งและเสียงตะโกนด้วยความโมโหโทโสโดยไม่หยุดยัง้งดังแรงพอที่ชาวบ้านรอบข้างจะได้ยินมีอยู่บ่อยๆที่ความโมโหของหลอนแสดงออกมาด้วยเสียงดังของวัตถุแทนคำพูดซึ่งเรื่องที่ทำให้หลอนฉุนเฉียวเครี้ยวกราดมีอยู่มากมายหลายประการและปราศจากความผิดอันควรเป็นต้นว่าหลังจากการแต่งงานไม่นานมิสเตอร์ลิงคอนและเมีย มาพักอยู่กับนางเยคับเออรีผู้เคยมีผัวเป็นแพทย์และเป็นไม้ผัวตายอยู่ในเมืองสปริงฟิลด์ซึ่งความจำเป็นทางฐานะการเงินจึงหาไรายได้ด้วยการเปลี่ยนบ้านให้เป็นบ้านพักเช้าวันหนึ่งขณะมิสเตอร์ลิงคอนและเมียกำลังกินอาหารเช้าด้วยกันปรากฏว่าลิงคอนทำบางอย่างซึ่งยั่วให้เมียของเขาเกิดโมโหเป็นฟืนเป็นไฟเรื่องที่อุบัติขึ้นครั้งนั้นในปัจจุบันนี้ไม่มีใครจำกันได้ กล่าวคือนางลิงคอนด้วยอากัปกิริยาเกลี้ยกราอดสาดน้ำกาแฟกำลังร้อนๆเต็มถ้วยไปที่หน้าของลิงคอนหลอนทำเช่นนี้ต่อหน้าผู้เช่าบ้านพักอื่นๆ อ, อ, อีกหลายคนโดยไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวลิงคอนนั่งเงียบขึมอยู่กับที่ด้วยความอับอายและคงอยู่ในอาการนี้เมื่อนางเออร์ีเอาผ้าขนหนูชุบน้ำมาเช็ดให้เขาตามหน้าและเสื้อผ้าของเขา สำหรับความหึงของนางลิงคอนด้วยแล้วยิ่งบัดซบอย่างมากร้ายกาจอย่างที่สุดแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เลยซึ่งเพียงแต่ได้อ่านเรื่องอันน่าทุเรศและน่าอับยะดอดสูถึงว่าหล่อนได้ทําการอย่างไรในที่สาธารณะเพียงแต่อ่านหลังจากเหตุการณ์นี้อุบัติขึ้นมาแล้วเป็นเวลา75ปีเท่านั้นและท่านท่านจะถึงกับอ้าปากตาค้างด้วยความงงงันทีเดียวในที่สุดหล่อนกลายเป็นคนวิกลจริต ฉะนั้นถ้าจะมีใครพูดถึงหญิงผู้นี้อย่างใจกว้างที่สุดเขาก็จะยกการกระทำอันซามของหล่อนไปให้แก่สาเหตุสืบเนื่องมาจากจิตใจวิปลาสการคอยจ้องเอาเรื่องด่าว่าและโมโหฉุนเฉียวทั้งนี้สามารถเปลี่ยนลิงคอนหรือเปล่าถูกแล้วมันเปลี่ยนอยู่ประการหนึ่ง มันเปลี่ยนความรู้สึกและท่าทีของเขาที่มีต่อเมียกล่าวคือทำให้เขาเกิดความรู้สึกเศร้าเสียใจต่อการแต่งงานอันอับโชคของเขาและทำให้เขาหลบหน้าจากหล่อนมากที่สุดเท่าที่สามารถ เมืองสปริงฟิลด์ในครั้งนั้นมีทนายความอยู่สิบเอ็ดคนและไม่มีใครสามารถหาไรายได้จากการว่าความในเมืองนี้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพเหตุนี้เองทนายความทุกคนต้องขี่ม้าไปยังศาลประจำชนบทแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งติดตามผู้พิพากษาเดวิดเดวิสซึ่งเดินทางไปเปิดการตัดสินคดีขึ้นตามชนบทต่างๆด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ทนายความเหล่านั้นรวมทั้งลิงคอน สามารถจะหาลูกความได้ตามชนบทแปดแห่งซึ่งเปิดให้มีการพิจารณาและพิพากษาคดีขึ้นเป็นครั้งคราวทนายความอื่นๆมักจะกลับมาเมืองสปริงฟิลด์ทุกๆเสาร์เพื่อใช้วันและปลายต้นสัปดาห์กับครอบครัวของเขาแต่ลิงคอนไม่ได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันเขาถือว่า การกลับบ้านเป็นสิ่งอันพึงหวาดกลัวและเหตุนี้เองนับเป็นเวลาถึงสามเดือนในระหว่างฤดูใบไม้ผลิและอีกสามเดือนในฤดูใบไม้ร่วงเขาพักอยู่ตามชนบทต่างๆโดยไม่ได้เฉียดเข้ามาใกล้เมืองสปริงฟิลด์เขาปฏิบัติอยู่เช่นนี้ปีแล้วปีเล่า การอยู่ตามโรงแรมในชนบทมักจะขาดความสะดวกสบายแม้กระนั้นถึงจะขาดความสะดวกสบายสักปานใดลิงคอนยังสมัครใจที่จะอยู่ยิ่งไปกว่าการพักที่บ้านของเขาซึ่งมีเมียคอยจ้องเอาเรื่องไปเสียทุกฝีก้าวและแสดงอาการโมโหโทโซแก่เขาอย่างร้ายกาดป่าเทือนนี่แหละคือผลที่นางลิงคอนพระราชินียูเยนีและเคาเตสตอนสตอยได้รับจากการชู้จี้ขี้เอาเรื่องการกระทำนี้มิได้นำประโยชน์อันใดมาให้ นอกจากชีวิตประสบความเศร้าสลดเท่านั้นเองหญิงเหล่านี้ต่างได้ทําลายเสียอย่างแหลกละเอียดในสิ่งซึ่งหล่อนรักห่วงอย่างที่สุดเบสซีแฮมเบอร์เกอร์ผู้ใช้ชีวิต11ปีในศาลแผนกคดีในครอบครัวของนครนิวยอร์กและได้สัมภาษณ์ผู้หญิงที่ผัวทอดทิ้งหลายพันรายกล่าวว่าเหตุผลสําคัญที่ผู้ชายไปจากบ้านก็เพราะเมียของเขาเป็นคนจู้จี้ขี้เอาเรื่องหรือตามที่หนังสือพิมพ์บอสตันโพส์กล่าวเมียเป็นจํานวนมาก ได้ขุดหลุมฝังศพกันแต่งงานของหลอนด้วยการขุดหลุมนั้นทีละเล็กทีละน้อยอยู่ประจำดังนั้นถ้าท่านต้องการดำรงรักษาชีวิตทางบ้านให้มีความสุขกฎที่หนึ่งมีดังนี้อย่าเป็นคนจู้จี้ขี้เอาเรื่อง